38มหลงทางรู้ว่าหลงทางจะถึงบ้านพอดีวงเล็บเปิดย1เอดตุลาคม2550หในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสา้าวงเล็บปิดตอนที่เราหลงทางเนี่ยอย่าตกใจไม่ต้องหาทางกลับบ้านให้รู้ว่ากําลังหลงทางอยู่แล้วใจเราจะไม่ดิน้นตรงที่ใจไม่ดิ้นรนนะใจจะเข้าสู่ความสงบสุขถึงบ้านเรียบร้อยแล้วที่จริงง่ายมากเลยไม่ต้องทำอะไรเวลาเราหลงไปก็รู้ว่าหลง จิตมันหลงแล้วหาทางปฏิบัติไม่เป็นแล้วรู้ว่าเนี่กำลังงงงภาวนาไม่เป็นแล้วไม่รู้จะไปทางไหนแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนี้รู้แล้วก็เป็นกลางกับมันอย่าไปเกลียดมันเราไม่ชอบมันรู้สึกไหมเราอยากกลับบ้านเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราอยากกลับบ้านเรากำลังปฏิเสธสภาวะที่กลับบ้านไม่ถูกถ้ารู้ตัวนี้นะใจจะเป็นกลางถึงบ้านพอดีเป๊ะเลยบ้านไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละ